ธรรมบทแปลเรื่องภิกษุผู้สืกออกไปหรือหมุนใบผิดวิพันติกะภิกษุภาคที่8เรื่องที่242พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณปราวิหารเบรุวันทรงปรารมภิกษุผู้หมุนใบผิดคือสืกออกใบรูปหนึ่งรัพระธรรมเทศน า, า, าว่า โยนิพพานโถวนาทิมุตโตวะนามุตโตวะนะเมวะทาวติตังปุคละเมวะปัสสะมุตโตพันทะณเมวะทาวติแปลว่าบุคคลใดมีอลไรดุดหมู่ไม้อันตั้งอยู่ในป่าออกแล้วน้อมไปในป่า พลนจากป่าแล้วยังแล่นไปสู่ป่าตามเดิมต่านทั้งหลายจงดูบุรุษนั้นนั่นแหละเขาพลนแล้วจากเครื่องผูกยังเล่นไปสู่เครื่องผูกตามเดิมตอนซึกออกไปทำจรกรรมเลี้ยงชีพได้ยินว่าภิงษุรูปหนึ่งเป็นสัตว์ที่มิหาริของพระมหากัสสปะเทระ แม้ได้ชาญสีแล้วเห็นหรูปารมันเป็นข้าศึกต่อพรมจัญรย์ในบ้านของนายช่างทองผู้เป็นลุงของตนมีจิตปูพันในรูปารมนั้นจึงสึกออกมาต่อมาเพราะความเป็นผู้เกียจคร้านไม่ชอบทำการงานคนในบ้านจึงไล่เขาออกจากบ้านเขาคบมิดชั่ว เลี้ยงชีพยอยู่ด้วยจรกรรมต่อมาวันหนึ่งพวกราชบรุษจับเขาได้มัดแขนไพล่หลังอย่างมั่นคงเขียนด้วยวายทุกทุกทางสี่แพร่งแล้วนำไปสู่แถลงแก่งพระเทระคือพระมาหากัสสปะไปบินาบาทเห็นเขาถูกพวกราชบรุษ นำออกไปทางประตูด้านทิ่ใต้จึงขอให้พวกราชุบุรุษพอนเรื่องจองจำลงหน่อยแล้วพระเถระจึงพูดว่าเธอจงระลึกถึงคำมฐานที่เธอเคยสั่งสมมาในคราวก่อนอีกครั้งด้วยคำเตือนนั้นเขาเกิดได้สติจึงจเจริญจะตุทะชาญได้อีกลำดับนั้นพวกราชุบรุษ นำเขาไปสู่แถลงแกงให้เขานอนงายบนหลาวเพื่อจะประหารชีวิตเขาไม่กลัวไม่สะดุ้งเลยตอนคนแปลกใจที่เขาไม่กลัวลำ ด, ดับนั้นผู้ประหารที่ยืนอยู่รอบด้านเงื้อดาบออกและหอกซัดเป็นต้นขึ้นเห็นเขามิได้สะดุ้งเลยต่างพูดว่า ท่านู้เจริญทั้งหลายพวกท่านจงดูชายคนนี้เถอะเขาไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านในท่ามกลางคนถืออาวุธตั้งหลายร้อยคนโอ้น่าสัใจจริงเขาเกิดความอาศัศจรรย์ใจและประหลาดใจร้องลั่นแล้วไปกราบถุลพระราชาให้สงสาบพระราชาทรงทราบเรื่องนั้นรับสั่งว่า จงปล่อยเขาไปแล้วเสด็จไปยังสำนักพระาศาสดากราบทูลเรื่องนั้นพระาศาสดาส่งเปล่งพระโอภาสไปเมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่เขาซึ่งตรัสพระกาานิว่าบุคคลใดไม่มีกิเลสดุดมู่ไม้ในป่ามีใจน้อมไปในป่าคือความเพียรพ้นจากป่าแล้ว ยังแล่นไปสู่ป่าตามเดิมท่านทั้งหลายจงดูบุคคล น, นั้นเขาพ้นจากเครื่องผูกแล้วยังแล่นไปสู่เครื่องผูกอีกบาลีว่าโยนิพภนัโถวนาทิมุตโตวนามุตโตวนาเมวะตาวติตั้งบุคละเมวะปัสสะมุตโตพันธะนะเมวะตาวติ ก็ในพระคถานั้นมีคาอธิบายดังนี้ว่าบุคคลใดชื่อว่าไม่มีกิเลสดุดหมู่ไม้ในป่าเพราะความที่ตนละทิ้งหมู่ไม้ดุดป่าเราวคืออะไรในเพศคระหัตแล้วออกบวชน้อมไปในป่าคือตะบะเราคือวิหารธรรมเป็นผู้พ้นจากป่าคือตานาได้แก่เครื่องผูก คือการกลองเรือนแล้วยังแล่นไปหาป่าคือตาหาอันเป็นเครื่องผูกคือการคลองเรือนนั้นแหละอีกท่านทั้งหลายจงดูบุคคลเช่นนั้นบุคคลนั้นพ้นจากเครื่องผูกคือการครองเรือนแล้วยังแล่นไปสู่เครื่องผูกคือการครองเรือนอีกเหมือนเดิมแหละเขาฟังพระธรร ม, มเทศนานี้ ทั้งที่นั่งอยู่บนปลายเลาาท่ามกลางพวกราชบรุระดุลคุมตัวนั่นแหลเริ่มกำหนดความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปยกจิตขึ้นสู่ตรายักษ์พิจารณาอยู่ซึ่งสังขารทั้งหลายได้บรรลุโสดาปติผลสฉวยสุขเกิดแต่สมาบัติอยู่พอไปเฝ้าพระาศาสดาทางอากาศทันทีถวายบังคมพระาศาสดาแล้ว บวชได้บรลุพระหรหัสในถามกลางบริษัทพร้อมด้วยพระาชา์นั่นเองดังนี้แหละเรื่องภิกษุผู้สึกออกไปหรือวิพันติกาภิกษุ